จริงนั่นแหละเช่เอว่าก็เห็นอะไรม้างแล้วกุศลจิตเกิดบ้างนะ น, น้อยนะักเพราะฉะนั้นปล้นเอาทานไปหมดปล้นเอาศีลปล้นเอาภาวนาปล้นเอาศีลสมถะวิปัสนาปล้นเอากุศลจิตปล้นเอาวิปัสนาที่นําออกจากวัตทุกขไปหมดเลยเพราะหลงลืมเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ในอารมณ์นั้นๆวิญญาณที่ติเจ็ดสัตตาวาสเก้าแหล่งกําหนดเนี่ยนะก็ถูกไฟสิบอดกองเนี่ยเผา ไฟอะไรไฟคือราคะเผาไฟคือโทสะเผาไฟคือโมหะเผาแล้วก็ไฟคือชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาต์มันทุกขันทุกอารมณ์เลยนะทุกคนทุกแห่งที่เกิดมาก็ถูกราคะโทะโสะโมหะเผาถูกชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาต์เผาของเราถ้านั่งกันอยู่ใน50คนเนี่ยนะเราก็คูณเลย1ิกองคูณไฟ11กองเหมือนไฟเนี่ยเผากัน โอยลุกท่วมเลยนะไม่ไม่ใช่เปลวธรรมดานะที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยนะเปลวตรงไตร้อนระอุไปล่อน้องพรห ม, มโล ก, ก น, นะยเพราะมันร้อนระอุ ก, กันหมดเลยนะเคยสังเกตเคยนอนไม่หลับบ้างไหมโอ้ยมันร้อนจริงๆเลยนะทันไฟเนี่ยไฟคือราคะก็เผาไฟคือโทสะก็เผาไฟคือโมหะก็เผาและทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยนะก็ถูกความชราเนี่ยเผา ไม่เลือกเวลาจริงๆนะมันชราลงไปทุกเวลาทุกเวลาทุกเวลาเรานั่งกันอยู่อย่างนี้เฉยๆนึกว่าเราไม่แก่เพิ่มนะแต่เห็นเด็กใหม่ๆมันค่อยโตขึ้นมาแล้วอาจจะรู้เอ้เรามันแก่ขนาดนี้เลยพอมาเป็นนั่งึงยังอยู่กับเด็กเด็กๆเล็กๆเ ล, เลยนะบอกอุ้ยเรานี่มันแก่ขนาดนี้แล้วหรือเคยอยู่แต่อายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยเราก็ว่าเราเด็กนะพอไปอยู่กับไอ้พวกเด็กขวบสองขวบสามขวบนี่บอกอุ้ยทําไมเราแก่ขนาดนี้นะ่ยน้นนึกกระจายเาอีกพักเดียวก็ เราก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็ตอนนี้ก็เป็นงานศพก่อนตอนหลังก็เดี๋ยวเขาจะมางานศพ บ, บ้าง <c oughs> ก็เปลี่ยนกันเป็นศพอยู่นี่แหละเพราะอะไรก็ถูกไฟคือชาติชรา ม, มรณะเผากันอยู่อย่างนี้สังขารทั้งหลายทั้งปวงปรากฏเป็นของไม่น่ายินดีเลยนี่ะไม่มีรสชาติคือในสังขารทุกชนิดไม่มีรสคือไม่มีความอรอร่อยอยู่จริง อันนั้นไม่มีความอร่อยอยู่ในนั้นจริงๆหรอกแต่คิดว่าอร่อยเพราะมันน้ำลายตัวเองใช่ไม้มก็คิดว่าอร่อยเฉยๆแต่จริงๆไม่มีความอร่อยอยู่เลยเป็นกองโทษใหญ่เนี่ยนะมหาโทสะคือโทษใหญ่มากเป็นเหมือนกับฝีเนี่ยนะเป็นเหมือนกับฝีเป็นโรคเป็นลูกศรเป็นของเจ็บปวดแล้วก็เป็นความเจ็บไข้เป็นของเจ็บไข้เป็น เมื่อไรเนาะเราจะมีปัญญาเห็นอย่างนี้บ้างเนี่ยมันเห็นตรงกันข้ามอันนั้นก็ดีอันนี้ก็สวยอันนี้ก็หน้าเพลิดเพลินี่หรือเปล่าเห็นไหตอนฟังธรรมก็บอกเออใช่ใช่สังขารเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละไม่น่ายินดีไม่มีรถเป็นกองโทษเป็นฝีเป็นโรคเป็นของเจ็บปวดเป็นของเจ็บไข้ตอนมีปัญญานะตอนไม่มีปัญญาบอกเออมันก็น่ายินดีนะอืมอร่อยไม่มีโทษเท่าไหร่อยฝีก็ดูแลได้โรคก็มียาอย่างงี้ยนะลูกศอนเอาเราก็ผ่าออกเสียอย่างเงี้ย เจ็บเอาก็กินพารางไงวนะป่วยก็เข้าโรงพยาบาลจบสบายมากนะแก้ปัญหาได้เบ็ดเร็จหมดเลยนะแต่ถ้ามีปัญญาหน่อยก็บอกโอ้ยมันดูแลอย่างนี้เมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะสิ้นนะ น, นะถ้าไม่มีปัญญาบอกเอออีกหน่อยก็ผ่านไปเดี๋ยวก็จะสบายนะเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็สบายก็หวังว่าจะสบายแล้วเคยใครใครสบายขึ้นบ้างไหมไม่สบายขึ้นอะไรเลยเนี่ยนะเดี๋ยวนะอย่างอย่างคนคนเนี้ยพอพอป่วยใช่ไหม พอแก่มาแล้วป่วยเออถ้าเราไปโรงพยาบาลแล้วจักสบายไปนอนอยู่โรงพยาบาลสักวันสองวันเนี่ยถ้าได้กลับบ้านนะหมอให้กลับบ้านแล้วจักสบายอมป่วยมากเต็มทีคิดว่าตัวเองโอ้ยขอให้ได้ตายเถอะคิดว่าตายแล้วจักสบายจริงหรือเปล่าตายไปแล้วสบายจริงหรือเปล่าบางคนก็บอกจริงสิก็ไม่เห็นกลับมาบอกเลยว่าไม่สบายมาัม้งจะไปบอกได้ยังไงเพราะมันผุบอีกที่หนึ่งแล้วนะไปโผล่อีกที่หนึ่งแล้วไม่ได้กลับมาบอกของเก่าแล้วเนะี่ย ก็เกิดมาใหม่งี้สบายไมหมล่ะมันก็จะคิดคิดไปนะคิดตามสังขารเนี่ยถ้าคิดตามเป็นจริงแล้วจะรู้ว่าไม่ได้มีความสบายอะไรอย่างแท้จริงหรอกอะนะก็เหมือนกับว่าเราเสนอตัวไปอยู่ที่ใดแห่งหนึ่งที่มันอยู่แล้วสบายจริงๆในโลกนี้ไปอยู่ตรงไหนเอ่โลกนี้เลยนะไปอยู่แล้วอู้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอ๊้ดีแต่ก็มีบางคนบอกเออที่นี่นะอยู่ได้เลยเป็นเดือนอย่างเงี้ยได้ไ ด, ได้เป็นปีอย่างเงี้ยนะแต่อยู่จริงๆอะอยู่ได้ห ร, รือรเปล่า อ, อยู่ได้ไหม ยองว่าไปอยู่เนี่ยสีลังกาเนะอยู่ได้เลยน่ะเจดวันว่างั้นให้อยู่จริงๆอยู่ได้ไห้อย่างเงอยู่ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าอยู่ได้จริงนะไม่มาหรอกแสดงว่าไม่ดีอยู่จริงๆอะไรถามว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงปรากฏเป็นของไม่น่ายินดีไม่มีรสเป็นกองโทษใหญ่อย่างไรตอบว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงปรากฏเป็นของไม่น่ายินดีไม่ไมีรสชาติเป็นของเป็นโทษใหญ่กองโทษใหญ่เหมือนป่ารก แม้ตั้งอยู่โดยอาการที่น่ารื่นรมแต่ก็มีสัตว์ ร, ร้ายป่ารกที่มีสัตว์ร้ายนี่เช่นว่าอะไรนะยุงบินแง่งยุงนั้นก็มีไข้มาลาเรียอยู่ในตัวอย่างเงี้ยนะมีเชื้อมาลาเรียอีกพักหนึ่งเดี๋ยวเสือก็อมาเดี๋ยวช้างก็มาเหยียบย่ํากันเดี๋ยวก็พวกงูงเงี้ยวเขี้ยวเสือนี่เลื้อยออกมาถามว่าน่าอยู่ไหมป่ารื่นรมตรงนั้นก็ไม่น่าอยู่ใช่ไหมเหมือนถ้าที่มีเสือถ้าที่มีเสือนะถ้าถ้าเราอยู่ไม่รู้จะหลบไปตรงไหนนะมันวิ่งมาชนเราก็ตายแล้วอะ สมมติถ้าถ้านะถ้าถ้าเนี่ยมันวิ่งมาข้างหน้าเราก็ตายมันวิ่งมาจากข้างหลังเราก็ตายเหมือนน้ําที่มีรากสดที่คอยจับลงก็เหมือนกับว่าอะไรนะลงไปในน้ําปั๊บมีคนดึงขาลงเลยนะมุดสูบลงไปเลยอย่างงี้ยนะถามว่าน่าพอใจไหมน้ําตรงนั้นไม่เอานะดูดข่าสึกที่เนื้อมือขันแหมเนื้อมมีดเนื้อดาป่ะนะดูดของกินที่มีพิษอนะนะให้อาหารอร่อยอร่อยผสมยาฆ่าแมาลงมาให้อย่างเงี้ยนะผสมยาฆ่ายากกนะ็ได้ ดุดเส้นทางที่มีโจรเนี่ยนะไปอะเส้นเนี้ยถูกปล้นเรียบแน่นะดุดเรือนที่ถูกไฟไหมใครสังเกตนะบ้านตรงนั้นนะ่ะบ้านตรงเวลาเดินไปจะมีบ้านถูกไฟไหมพี่เขาฉลองปีใหม่ใช่ไหมมันถ้าหากว่าบ้านเราถูกไฟไหมเนี่ยนะไหมมาจากข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขางวาทําไม่มาหมดอยู่ไงเหมือนสนามรบที่มีกองทหารส่งออกไปแล้วปรากฏเป็นของไม่น่า ย, ยินดีก็เหมือนกับ ถ้าตอนนี้ก็ไปอยู่อิรักเอาไหมยงไงนะเมกาขนไปแล้วแสนกับคนอาหารน่ยนะอังกฤษก็ขนไปแล้วเป็นหมื่นคนออสเตรเลียกําลังช่วยส่งทยอยทยอยไปเนี่ยนะถ้าเราเป็นพลเมืองที่นั่นโอ๊ยนอนหลับฝันหวานอย่างนั้นไหมเดือดร้อนพลักพลักแล้วนะเดือดร้อนเหงื่อท่วมมันก็ น, นับถอยหลังไปเนี่ยวันนี้นะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตายแล้วอย่างเงี้ยนะคนที่รอดจะเหลือกี่คน น, อนอาะเนี่ย รอดจะรอดอยู่สภาพไหนะถึงจะรอดก็รอดสภาพไหนอย่างเงี้นะทีนี้ถ้าตายแล้วจะไปไหนอีกคะเนี่ยนะถ้ามาคิดแบบเราอีกนะอตายก็มันก็ถือว่าน่ากลัวอยู่แล้วน่ากลัวกว่า น, นั้นก็คือการเกิดแล้วไปเกิดอยู่ที่ไหนไปเกิดอยู่ตรงไหนมันก็กลายแต่เป็นของไม่น่า ย, ยินดีไม่มีรสชาติเป็นกองโทษกองใหญ่แก่บุรุษผู้ขี้ขลาดกลัวแสดงว่าพวกพวกเสเรียนแบบเนี้ยเป็นคนขี้ขลาด กลัววะตะัตฏะพวกนี้ไม่แน่จริงต้องสู้วัฏฏะสิเนี่ยนะเรากลัวจริงๆก็ยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้ววะะัฏฏะเนี่ยนะขอเป็นผู้พ่ายแพ้ดีกว่านะก็ขอเป็นผู้ชนะแบบพิการครึ่งตัวเอาไมอย่างเงี้นะีไม่น่าเอาเนาะก็คิดดูนะถ้าเราเป็นผู้ชนะวัฏฏะนะเราอยู่ในวะตะัตฏะไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวก็พิการโน่นพิการนี่เดี๋ยวก็ลําบากเดือดร้อนนุ๊ไม่ไม่ไหวท่าน กองโทษใหญ่เหล่านี้สำหรับผู้เจริญวิปัสสนาเขาบอกว่ามันน่ากลัวจริงๆทุกอย่างเนี่ยเป็นของน่ากลัวสำหรับผู้ที่ต้องการความสุขนะวัตานี้น่ากลัวมากๆเลยถ้าถ้าเปรียบกับผู้ที่ต้องการความสุขเช่นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้ต้องการสแสวงหาความสุขเพื่อตนอย่างแท้จริงเนี่ยจะมองเห็นทุกอย่างนี้มันน่ากลัวไปหมดเลย คือเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้ขลาดกลัวนั้นมาถึงสถานที่มีป่ารกมีสัตว์ ร, ร้ายเป็นต้นเหล่านี้เข้าแล้วก็ย่อมเป็นผู้ขลาดกลัวหวาดหวันเกิดขนลุกขนพองเล็งเห็นอยู่แต่โทษเท่านั้นโดยรอบด้านฉันใดเมื่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงปรากฏเป็นของน่ากลัวด้วยสา ม, มารถแห่งพังคานุปัสนาญาณแล้วพระโยคาวจรนี้ย่อมเล็งเห็นแต่โทษอันไม่มีรสชาติไม่น่ายินดีอยู่ โดยรอบด้านฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระโยคาวจร น, นั้นพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าอาทีนวญาณอัาธาทีนวตานิสนัมปิจะใช่ไหมก็อย่างที่ที่เราเรียนเนติปกรณ์เนี่ยนะอะไรเป็นอัาธาอะไรเป็นอาทีนวะขันห้าตอนแรกก็มีอัาธะใช่ไหมตอนอาทีนวะปรากฏเนี่ยก็คือถ้ามีปัญญาก็จะเห็นโทษโดยประการทั้งปวงของขันห้าก็จะเห็นแต่โทษ เมื่อพิจารณาอย่างนี้เท่าไหร่ยิ่งค้นคว้ายิ่งวิจัยเข้าเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเห็นแต่โทษเพราะฉะนั้นที่ภาษาริบุตรกล่าวว่าถามว่าปัญญาในปราในความปรากฏว่าเป็นภัยชื่อว่าเป็นอาทีนะวายาณอย่างไรเฉลยว่าปัญญาในความปรากฏว่าเป็นภัยว่าเป็นอุปาทะอุปาทะเนี่ยหมายถึงการเกิดขึ้นเนี่ยเป็นภัย การเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดในพบใดๆเกิดที่ใดก็มีแต่ภัยเป็นอาทินวายาณปัญญาในปรากฏว่าเป็นภัยว่าปวตตความเป็นไปในวัตตาไปเป็นอยู่ไปเป็นอะไรในวัตตาที่ตรงใดก็น่ากลัวภัยตัวนั้นแต่ว่าน่ากลัวนิมิตคือสังขารนิมิตไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็น่ากลัวอายุหณกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่นําไปเกิดในพบใหม่กรรมทุกกรรมก็น่ากลัว ปฏิสนธิการลงสู่ขันไม่ว่าจะอยู่ท้องใครก็น่ากลัวเนี่ยนะไปต่อในคันของผู้ใดก็น่ากลัวหมดเลยคติไม่ว่าจะเกิดในนรกเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็น่ากลัวไปหมดนิพพติการบังเกิดขึ้นของขันท่าทุกขันก็น่ากลัวอุบัติความเป็นไปแห่งวิบากกรรมชรูปก็น่ากลัวชาติคือการเกิดก็น่ากลัวความแก่ก็น่ากลัวพยาธิความเจ็บป่วยทั้งหลายก็น่ากลัวมรณะคือความตายก็น่ากลัว วัตถุทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกก็น่ากลัวมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความบ่นเพ้อคร่ำครวญมีไหมก็เป็นที่ตั้งแห่งการบ่นได้ทุกเรื่องอนะอันนี้ก็เป็นปริเทวะก็น่ากลัวเพราะบ่นเพ้อนะปริเทวะบ่นเพ้อก็น่ากลัวอุปาญาคับแค้นใจโลกนี้มีตรงไหนมัางไม่เป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ความลำบากใจนี้ก็ชื่อว่าเป็นของน่ากลัว ปัญญาที่ไปพิจารณาอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นอาทินะวายานเนี่ยนะแต่ละอย่างน่ากลัวไปหมดเลยเนี่ยนะแต่ผู้ที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยจะต้องคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามถ้าไม่เกิดนี่จะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนี่เป็นสันติบทญาณอู้นิสงบอย่างแท้จริงถ้าหากว่าไม่เกิดนี่เป็นสันติบทญาณ น, นะเป็นความสงบ ถ้าไม่เป็นไปในวัตตนนี่ก็เป็นความสงบถ้าไม่มีเครื่องหมายคือขันห้าเป็นความสงบอย่างงี้ถ้ากรรมไม่นำไปสู่พบโดยประการทั้งปวงก็เป็นความสงบถ้าไม่เชื่อมต่อในวัตตะทุกพบเลยก็เป็นความสงบถ้าไม่เป็นไปในคติห้าก็เป็นความสงบถ้าไม่อุบัติขึ้นในพบต่างๆก็เป็นความสงบถ้าไม่เกิดก็เป็นความสงบถ้าไม่แก่ก็เป็น ความสงบถ้าไม่ป่วยก็เป็นความสงบถ้าไม่ตายก็เป็นความสงบถ้าไม่เศร้าโศกก็เป็นความสงบไม่คร่ำครวญก็เป็นความสงบไม่คับแขนใจก็เป็นความสงบยานที่รู้ความสงบเหล่านี้เรียกว่าสันติบทยาณยานที่รู้ความสงบจากวัตตะเหล่านี้ว่าเออความสงบวัตตะความระงับวัตตะได้เป็นความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะที่ทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะวัตตะนั่นแหละ ปัญญารู้อุปาท่ว่าเป็นภัยอนุปาท่าปลอดภัยหมายคือว่ารู้ว่าการเกิดนี่เป็นภัยถ้าไม่เกิดปลอดภัยอะไรถ้าความเป็นไปนี่เป็นภัยถ้าไม่เป็นภัยนี่ปลอดภัยรู้ว่านิมิตเป็นภัยความไม่มีนิมิตนี่ปลอดภัยกรรมที่นําเกิดเป็นภัยถ้ากรรมไม่นําเกิดปลอดภัยปฏิสนธิเป็นภัยถ้าไม่ไม่ปฏิสนธิก็ปลอดภัยคติห้าเป็นภัยถ้าไม่มีคติปลอดภัย นิพพติความบังเกิดขึ้นเป็นภัยถ้าไม่บังเกิดก็ปลอดภัยการอุบัติขึ้นก็เป็นภัยถ้าไม่อุบัติก็ปลอดภัยความเกิดเป็นภัยถ้าไม่เกิดปลอดภัยความแก่เป็นภัยถ้าไม่แก่ปลอดภัยความป่วยเป็นภัยถ้าไม่ป่วยปลอดภัยถ้าไม่ถ้าตายความตายเป็นภัยถ้าไม่ตายปลอดภัยความโศกเป็นภัยถ้าไม่โศกปลอดภัยความบ่นเพ้อคลั่งครวญเป็นภัยถ้าไม่บ่นเพ้อคลั่งครวน ปลอดภัยความคับแค้นใจเป็นภัยถ้าไม่แค้นไม่คับไม่แค้นก็ปลอดภัยนะก็มาเริ่มคิดสองส่วนแล้วว่าเออถ้ามีสังขารเป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้ถ้าปราศจากสังขารเป็นสุขอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามีนี่ก้อนนี้นะถูกทวงเช้าทวงเย็นทวงวันละเจ็ดรอบเนี่ยนะเป็นภัยจริงๆนะนะเท่าสิ้นนี่ก้อนนี้ปลอดภัย ขันห้าคือตัวนี้ดีๆนี่แหละมันถ้าหมดขันห้านะอุย้ยไม่มีใครทวงอีกต่อไปเนี่ยนะสาธุ ข, ขอให้เห็นอย่างนั้นเถอนะอเห็นอย่างงี้ได้ดีแน่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างงี้อุย้ยบรรลุไปนานแล้ว <c oughs> ปัญญาในปรากฏว่าเป็นภายว่าอุปาทะเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยนะความเกิดนี่เป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดนี่เป็นสุข ความเป็นไปในวัตตะเป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นไปในวัตตะเป็นสุขสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ความไม่มีสังขารทั้งหลายเป็นสุขอายุหณกรรมที่นําเกิดในภพใหม่เป็นทุกข์ถ้ากรรมไม่นําเกิดเป็นสุขการปฏิสนธิในภพใหม่เป็นทุกข์ถ้าไม่ปฏิสนธิเลยเป็นสุขคตินี้เป็นทุกข์ถ้าไม่มีคติห้าเป็นสุขนิพพติการเกิดขึ้นในภพสามเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดขึ้นเป็น สุขอุบัติในวัตฏะเป็นทุกข์ถ้าไม i mean ่อุบัต e ิในวัตฏะเป็นสุขความเกิดชาติเป็นทุกข์ถ้าดับชาติได้เป็นสุขชราเป็นทุกข์ถ้าไม่ชราก็เป็นสุขพยาธิเป็นทุกข์ถ้าไม่ป่วยก็เป็นสุขความตายเป็นทุกข์ความไม่ตายเป็นสุขความโศกเป็นทุกข์ความไม่โศกเป็นสุขความคร่ำครวนบ่นเพ้อเป็นทุกข์ไม่คร่ำครวนบ่นเพ้อเป็นสุขความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความไม่คับแค้นใจเป็น ความสุขเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นยามที่เริ่มแยกสองส่วนเป็นอาทีนวายานกับอะไรสันติบทยานเนี่ยนะว่าคือเริ่มมาช่างตรงกันข้ามสองส่วนะมีกับไม่มีอย่ไหนดีกว่ากันนนในระหว่างนี้เขาเรียกว่าช่างสองส่วนว่าถ้ามีวัตตะกับดับวัตตะต่างกันอย่างไรนนถ้ามีขันห้ากับดับขันห้าได้มันต่างกันอย่างไรเนี่ยนะจะต้องมาแยกสองส่วนนี้ให้ดี คนก็บอกขอให้มันมีขันห้าแต่มันขันแบบนี้ตลอดไปก็ดีแล้วเนี่ยนะก็แสดงว่าแหมอาเยื่อใหญ่อาลายอาวรเนี่ยนะถึงเราเป็นมะเร็งแมเราก็ยังถือว่าก้อนเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยนะก็ยังติดใจหรือ ย, ยังก็ว่ามันไม่ลามอย่างเงี้ยนะนีอะไรนะขั้นที่สี่แล้วเหรอโยมที่มาฟังทำมีอยู่คนหนึ่าใครนะมาเล่าขั้นที่สี่แล้วใช่ไหมขั้นที่สามใช่ไหมอ้าวตัวเลขมันไม่มีลดหรอกมสามมาเหลือสองมีไหมไม่มีนะ มีแต่เพิ่มอย่างเดียวนะเหมือนอายุเราเลยอย่างงี้นะเหมือนอายุเพิ่มทุกปีทุกปีปีใหม่ทีก็เพิ่มทีปีใหม่ทีก็เพิ่มทีมะรงก็มีจากระยะที่หนึ่งสามสี่เนี่ยนะก็นับถอยหลังได้เลยเหมือนรอปีใหม่เนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ปีใหม่เนะีรออะไรชาติใหม่เนี่ยนะรอพบใหม่นะนะทุกคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะทั้งอยู่ในขันท่าก็ไม่ปลอดภยัยอตรงไหนบัางที่มะรงเป็นไม่ได้บ้างอ่ะอันนี้โรคเดียวนะ แล้วโรคในโลกนี้มีโรคเดียวหรือไม่มี ม, ม, มีสารพัดโรคเนี่ยนะมันอย่ามีเลยเนาะขันห้านะไม่น่าพระพุทธเจ้าเตือนสอนเหลือเกินว่าขันห้าไม่ดีไม่ดีส่วนปัญญาที่รู้ว่าการเกิดขึ้นของขันห้าเนี่ยเป็นทุกขปาทานการเกิดขึ้นของขันห้าเป็นทุกข์ถ้าขันห้าไม่เกิดเป็นสุข การเป็นไปของขันห้าเนี่ยนะการเป็นไปในวัตตะเป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นไปก็เป็นสุขเครื่องหมายคือขันห้าเป็นทุกข์ถ้าไม่มีเครื่องหมายคือขันห้าเป็นสุขกรรมที่นำเกิดในภพหมายเป็นทุกข์ถ้ากรรมไม่นำเกิดก็เป็นสุขนะนะโดยเฉพาะบาปถ้าบาปไม่นำเกิดโดยประการทั้งปวงเลยจะทุกข์ไหมสบายแน่เลยนะถ้าบาปทาบาปไว้เยอะแยะถ้าบาปไม่นาเกิดเหมือนพระองคุลิมาเนี่ยพอใจห โอ้จะสบายขนาดไหนนะแต่ค่าคนไว้เป็นหมื่นๆก็ไม่น่าหนักใจอะไรถ้ากรรมไม่นําเกิดเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้ากรรมนําเกิดเป็นทุกข์ถ้ากรรมไม่นําเกิดเป็นสุขปฏิสนธิเป็นทุกข์ถาไม่ปฏิสนธิเป็นสุขคติทั้ง5้าเป็นทุกข์ถ้าไร้คติห้าเป็นสุขนิพพติการเกิดขึ้นในภพในในวัตตะเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าไม่บังเกิดไม่นิพพติไม่ปรากฏ พูดง่ายๆถ้าเสนอตัวไปในนรกเป็นทุกข์ถ้าไม่เสนอตัวไปเป็นสุขอย่างเงี้ยนะอุบัติเป็นทุกข์ถ้าไม่อุบัติเป็นสุขความเกิดชาติเป็นทุกข์ถ้าไม่ชาติถ้าไม่เกิดเป็นสุขชราเป็นทุกข์ถ้าไม่แก่เป็นสุขความป่วยเป็นทุกข์ถ้าไร้ความป่วยเป็นสุขความตายเป็นทุกข์ถ้าไม่ตายเป็นสุขความโศกเป็นทุกข์ถ้าไม่โศกเป็นสุขความขรัมครวญเป็นทุกข์ถ้าไม่ขรัมครวญเป็น สุขความคับแค้นใจเป็นทุกข์ท่าไม่คับแค้นใจก็เป็นสุขบทตอนสุดท้ายบอกว่าแต่ไม่ใช่สุดท้ายนะความเกิดขึ้นเป็นเป็นของม pues ีอมิตรอมิตรแปลว่าการเกิดขึ้นในวัตตะเป็นเหยื่อของมารถ้าไม่เกิดขึ้นของวัตตะไม่เป็นเหยื่อของมารความเป็นไปในวัตตะเป็นเหยื่อของมารถ้าไม่เป็นไปในวัตตะ ไม่เป็นเหยื่อของมารเครื่องหมายคือขันห้าเป็นเหยื่อของมารถ้าไม่มีเครื่องหมายคือขันห้าก็ไม่เป็นเหยื่อของมารความกรรมที่นําเกิดเป็นเหยื oughs, ่อของมารถ้ากรรมไม่นําเกิดไม่เป็นเหยื่อของมารการปฏิสนธิเป็นเหยื่อของมารถ้าไม่ปฏิสนธิไม่เป็นเหยื่อของมารคติห้าเป็นเหยื่อของมารถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นคติของอไม่เป็นเหยื่อของมาร การปรากฏตัวเสนอตัวในวัฏฏะเป็นเหยื่อของมารถ้าไม่เสนอตัวมามาโชว์ตัวในวัฏฏะเลิกเป็นเหยื่อของมารแต่ไม่ได้นะของเราต้องเดินแบบอย่างงี้หรือป่าต้องมาโชว์ในเสนอตัวในวัฏฏะหน่ก็เอยเรายังอยู่นะอย่างง้นะการอุบัติตัวในวัฏฏะเป็นเหยื่อของมารถ้าไม่อุบัติในวัฏฏะก็ไม่เป็นเหยื่อของมารความเกิดเป็นเหยื่อของมารถ้าไม่เกิด ไม่เป็นเหยื่อของมารสาธุขอให้ชาติหน้าโฮ้ยอย่างนี้เป็นยังเป็นเหยื่ออีกเนาะถ้ายังมีคําว่าชาดหน้าอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะโอ้ยยังเป็นเหยื่ออีกเป็นเหยื่อของอะไรเนาะถ้าเป็นปลาเป็นเหยื่อของใครถ้าเป็นไส้เดือนก็เป็นเหยื่อของปลาถ้าเป็นปลาเป็นเหยื่อของคนถ้าเป็นคนเป็นเหยื่อของใครเหยื่อของพยาธิเนี่ยนั่นก็กลายเป็นเหยื่อกันไปเรื่อยนั้นการเกิดนี้จึงเป็นอมิตรเนี่ยนะคือเป็นเหยื่อ ถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นเหยื่อพันถ้าใครถูกหลอกนะบอกว่าปกติขึ้นชื่อว่าการเกิดนี่ ต, ต้องเป็นเหยื่อเนี่ยนะก็เป็นเหยื่อของใครอีกเรื่องหนึ่งแหละความแก่นี่ก็เป็นเหยื่อเมียมิตรไงเป็นเหยื่อล่อเป็นเครื่องล่อของพญามานแต่ถ้าไม่แก่ก็ไม่เป็นเครื่องล่อของพญามานความป่วยก็เป็นเครื่องล่อถ้าไม่ป่วยก็ไม่เป็นเครื่องล่อของมานถ้าความตายก็เป็นเครื่องล่อของมานอันนี้ไม่ลอ่อนะมันเอาจริงนะเนี่ยความไม่ตาย ไม่เป็นเครื่องล่อมานความโศกเป็นเครื่องล่อของพยมานแต่ถ้าไม่โศกก็ไม่เป็นเครื่องล่อของมารความคร่ำครวญเป็นเครื่องล่อของมารถ้าไม่คร่ำครวญก็ไม่เป็นเครื่องล่อของมารความอุปายาความคับแค้นใจเป็นเครื่องล่อของมารถ้าไม่คับแค้นใจไม่มีไม่มีอมิตรนะะไม่เป็นเหยื่อโดยประการทั้งปวงสรุปท่านอยากบอกว่าวัตตะนะมันเป็นเหยื่อของมารเหยื่อของมัจจุมาณเหยื่อของขันธมารเหยื่อของ อิเลสมานเหยื่อของอภิสังขารมานถ้าดับวัตตะไม่เป็นเหยื่อของมานอีกต่อไปความเกิดในวัตตะเนี่ยนะเป็นสังขารถ้าไม่เกิดในวัตตะเป็นนิพพานอุปาทะเนี่ยนะเป็นสังขารถ้าไม่เกิดก็เป็นนิพพาน นิพพานอย่างนี้น่าสนใจมั้งนิพพานโดยที่ไม่ต้องเกิดเลยชักคิดมากเลยใช่ไหมบางคนก็บอกนิพพานเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นถามอย่างนี้นะประวตะเป็นสังขารถ้าประวตะคือความเป็นไปในวัะเป็นสังขารถ้าเลิกเป็นไปเป็นนิพพานเครื่องหมายเป็นสังขารนิมิตเนี่ยเป็นสังขารถ้าไม่มีนิมิตเป็นนิพพาน อายุหะเป็นกรรมที่นำเกิดในภพใหม่เป็นสังขารถ้ากรรมเลิกนำเกิดเป็นนิพพานการโชว์ตัวในคันของใครก็ตามเนี่ยปฏิสนธินี้เป็นสังขารถ้าไม่ปรากฏตัวณที่ใดเลยก็เป็นนิพพานคติห้าเป็นสังขารถ้าไม่มีคติห้าก็เป็นนิพพานนิพติการบังเกิดขึ้นเป็นสังขารถ้าไม่บังเกิดก็เป็นนิพพานอุบัติเป็นสังขารถ้าไม่อุบัติก็เป็น นิพพานความเกิดเป็นสังขารถ้าไม่เกิดก็เป็นนิพพานชราเป็นสังขารความไม่ชราก็เป็นนิพพานความป่วยเป็นสังขารถ้าไม่ป่วยก็เป็นนิพพานความตายเป็นสังขารถ้าไม่ตายก็เป็นนิพพานความโศกเป็นสังขารถ้าไม่โศกก็เป็นนิพพานปริเทวะความคร่ำครวญเป็นสังขารถ้าไม่ปริเทวะเป็นนิพพานความคับแค้นใจเป็นสังขารถ้าเลิกคับแค้นใจก็เป็นนิพพานแต่อสังขตะธรรมนี่มีอยู่นะ คือคือให้คนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมาแยกสองส่วนอนะฮะว่าแยกจะเลือกฝั่งวัตตะหรือวิวตตะอย่างทุกขสัตเป็นวัตตะใช่ไหมนิโรสัตจะเป็นวิวัตตะจะขอเลือกเอาสายทุกขสัตรหรือเอานิโรสัตจะอันนั้นก็นแล้วแต่นะแท้ตรงนี้อาพีนะว่ายานเริ่มแยกแล้วเอ้ทุกขไม่ดีเนะี่ยถ้าดับทุกได้เป็นสุขเพราะฉะนั้นก็ทุกกะทุกนิโรธ ก็ต่งที่พระองค์ตรัสนะนะบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็แสดงทุกข์กับความดับทุกข์คือพระพุทธเจ้าแสดงทุกข์ขัดกับนิโรธสัจจะแต่ทุกข์มีเหตุคือสมุทยัยบรรลุนิโรธได้ต้องอาศัยมักเนี่ยนะก็คือการประกาศอาริยสัจนั่นเอง ในหน้า225กล่าวว่าพระโยคาวจรเห็นอุปาทปวัตะนิมิตะอายุหนะและปฏิสนธิว่าเป็นทุกข์นี้เป็นอาทีนวายานย่อมเห็นอนุ ป, ปาทอัปวัตะอนิมิตอนายุหนะและอัปปฏิสนธิว่าเป็นสุขอันนี้เป็นสันติบทยานคือยานที่รู้ว่าการเกิดความเป็นไปนิมิตเครื่องหมายปฏิสนธินี้เป็นทุกข์ปัญญาที่ไปเห็นแบบนี้เรียกว่าอาทีนวายาน แต่ถ้าไปเห็นว่าไม่เกิดไม่เป็นไปไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไ ม, ไม่ปฏิสนธิเนี่ยเป็นความสงบเป็นความสุขอันนี้เป็นสันติบทยานนยนะโอ้ยถ้ามียานทั้งสองนี้ก็ช่างได้แล้วใช่ไหมวัตตะเป็นอย่างไรกับวิวัตะเป็นอย่างไรเนี่ยนะโอ้ยได้ฟังนี้ก็มีบุญแน่นะอาทีนวายานนี้ย่อมเกิดในฐานะห้า 5, สันติบทยานนี้ก็เกิดในฐานะห้า 5, พโยคาววจรย่อมรู้ชัดซึ่งยานสิบ ยานสิก็คืออาทีนวะห้าสันติบทอีกห้ารู้ชัดยานสิบก็เป็นผู้ฉลาดในฐานะสองฐานะสองฝ่ายยานทั้งสองฝ่ายฝ่ายไหนฝ่ายอาทีนวะกับฝ่ายสันติบทจึงไม่หวั่นไหวในทิฏฐิต่างๆก็บอกโอ้ยใครจะมาเสนอมิจฉาทิฏฐิให้ยื่นเสนอตัวสังขารอะไรเข้ามาก็ไม่เอาแล้วนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าสังขารเป็นภยัยเป็นทุกข์เป็น เป็นเครื่องล่อของมารเป็นสังขารนั้นนะโอ้ยไม่เอาสังขารโดยประการทั้งปวงความรู้นั้นชื่อว่ญญายานพาอัตว่ารู้ปัญญาพราอัตว่ารู้ทั่วเพราะฉะนั้นปัญญา น, นี้จึงเรียกว่าอาทีนวายานที่ปรากฏว่าสังขารทั้งมวล น, นั้นเป็นภัยส่วนที่เหลือก็อธิบายนะสิบห้าคำเหล่านั้นนะไม่ย่อเหลือห้าคำอุปาทัปทปวตานิมิตะอายุหณะคติเป็นต้นเนี่ยนะย่อมาแล้วก็เหลือแค่ห้าคำ คืออุปาทะปวัตตาณิมิตตาอายุหะณะและปฏิสนธิคำที่เหลือก็เป็นไวยพจธแปลว่าคำที่ใช้แทนกันแต่ทั้งห้าคำนั้นถ้ามาย่อก็เหลือกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏสรววัฏตะในภูมิสามน่ากลัวถ้าดับวัฏตาในภูมิสามได้ไม่น่ากลัววัฏตาในภูมิสามเป็นภัยถ้าสงบวัฏตาได้ปลอดภยัยเพราะนนั้อุปาทะคความบังเกิดขึ้นในภพนี้เพราะกรรมในภพก่อนเป็นปัจจัย สรุปว่าที่เสนอตัวมาเกิดในชาตินี้ก็มหาภัยแล้วใช่ไหมประวัติศาตรเนี่ยสังขารที่เกิดขึ้นมานะตั้งแต่เกิดมาจนวันตายเนี่ยก็อันนี้เรียกว่าประวะตะนะก็ถือว่าเป็นภัยนิมิตคือสังขารทั้งปวงขันท่าทั้งปวงนี่เป็นภัยอายุหนะณะคือกรรมกรรมที่ทําในชาตินี้เพื่อพบใหม่นะทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยกรรมเหล่านี้ที่ทําให้เกิดในพบใหม่ก็น่ากลัว ปฏิสนลที่ความเกิดขึ้นในภพหน้าชาติหน้าก็หน้ากลัวคติคือคือถ้าเกิดแล้วก็ต้องเป็นไปกับคติห้าใช่ไมเกิดในโนรกกับเปรตเทระชันาชามนุษย์เทวดาอะไรเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นแหละนิพพติก็บังเกิดขึ้นแห่งขันอุบัติคือความเป็นไปของวิบาก น, นะความเป็นไปของวิบากชาติก็คือความเกิดที่มีภพเป็นปัจจัยทีนี้พอเกิดมาแล้วก็ความเกิดนี้เป็นปัจจัยแห่งความแก่พอแก่แล้วก็ พอแก่แล้วก็สาธุไม่อยากพูดเลยเนี่ยนะมาตายพอเราทำทั้งหลายมีชรามรณะเป็นต้นก็โอ้ยชัดเจนอยู่แล้วนะพอเกิดมาแล้วก็แก่พอแก่มาแล้วก็ตายแต่ความแม้เกิดก็ยากเย็นแสนเข็นนะ่ะเกิดมาแล้วก็แก่ตายเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็เสียใจก็บ่อยบ่ๆเนี่ยนะเดี๋ยวก็มีเรื่องเสียใจลําบากใจขับแค้นใจเดี๋ยวก็มีเรื่องบน่บนบน่บนบน่บ น, บนอยู่นั่นแหละ เพราะมีขันธ์ห้านี่แหละ ย, ยังต้องบน่นถ้าเลิกขันธ์หเมื่อไหร่นะเลิกบ่นทุกทีเลยนะปัญญาที่รู้ได้อย่างนี้นะที่เข้าไปแยกแยะได้อย่างนี้ก็เป็นวัตถุแห่งอาทีนวายานส่วนคําโดยทั่วไปโดยมากก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นไวัยพ์จริงอยู่สองคำนี้นิพพติกับชาติเป็นไวัยพ์ของอุปาทะและของปฏิสนธิสองคำนี้คือคติอุบัติเป็นไวัยพ์ของปวัตตะชาราเป็นต้นเป็นไวัยพ์ของนิมิต สรุปว่าพระโยคาวจรย่อมเห็นอุปาทภวัตตนิมิตอายุหณะและปฏิสนธิว่าเป็นทุกข์ความเห็นคือปัญญานี้เป็นอาทีนวายานและตรัสว่ า, าและว่าอาทีนวายานย่อมเกิดในฐานะหคือไปรู้ว่าสรุปว่าเนี่ยการเกิดขึ้นในวัตตาการเสนอตัวมาในวัตตานี้เป็นทุกข์เนี่ยนะจะตรงไหนก็ทุกข์หมดเหอะไม่มีเย็นสักแห่งหรอกส่วนคําว่ายามที่รู้ว่า อนุ ป, ปาธเป็นธรรมเกษมเป็นสันติบทยานเป็นต้นท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงยานที่เป็นไปสองฝ่ายตรงกันข้ามกับอาทีนวายานคือตรงกันข้า ม, มอนนะว่าถ้าวัตถุ น, น, นั้นมีโทษถ้าไม่มีวัตถุนั้นก็เป็นเป็นของไม่มีโทษอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวว่าคำนี้แม้เพื่อให้เกิดความยินดีว่าแม้ที่ไม่มีภัยที่เป็นที่แดนกเกษมที่ที่ไม่มีโทษก็มีอยู่ อันนั้นถ้าพูดถึงภัยและสิ่งที่ปลอดภัยมีอยู่ใช่ไหมคือคือบางคนเนี่ยเขาบอกโอ้โหผู้ศาสนาเนี่ยมีพูดแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพูดแต่โทษพูดแต่ภัยพูดถึงแต่สิ่งที่น่ากลัวพูดเพื่ออะไรเพื่อให้ไปแสวงหาสิ่งที่ไม่น่ากลัวอันนพระองค์ก็บอกว่าอที่พูดถึงทุกข์ก็เพื่อให้เข้าถึงความสุขไม่ได้พูดให้เป็นทุกข์เนี่ยนะพูดให้พ้นทุกข์หวังนั้นเถอะเพื่อเมื่อพ้นทุกข์อันนั้นแหละเรียกว่าเป็น ความสุขเนี่ยนะก็เพื่ออะไรพูดเพื่อให้ไม่มีภัยเพื่ อ, อเพื่อให้ถึงแดนกเกษมเพื่อให้ถึงที่ที่ที่ไม่มีโทษแก่พระโยคาวจรทั้งหลายผู้เห็นโทษ ด, ด้วยพร ะ, ะตุปานยายนมีใจหวาดหวั่นอยู่นะพอพิจารณาสังขารสังขารสังขารอู้มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภัยบอกนี้ที่สงบก็มีที่ปลอดภัยก็มีหรืออย่างหนึ่งพึงทราบว่าเหตุที่ทําทั้งหลายมีอุ ป, ปาทะเป็นต้น เป็นธรรมะที่พระโยคาวจรนั้นเข้าไปตั้งมั่นดีแล้วว่าเป็นภัยจิตของประโยคาวจรนั้นย่อมน้อมไปในธรรมที่ฝ่ายตรงกันข้ามกับธรรมมีอุปาทะเป็นต้นเนี่ยนะก็เริ่มคิดมุมกลับได้ใช่ไหมเช่นถ้ามีนี่นี่โหมีภยัยถ้าสิ้นนี้ก็ปลอดภัยลักษณะนี้การป่วยนี่เป็นภยัยถ้าเลิกป่วยนะปลอดภัยก็เริ่มคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวคํานี้ไว้ว่าเพื่อแสดง อา น, นิสงแห่งอาทีนว่ายานอันสําเร็จแล้วด้วยอํานาจแห่งพ ย, ยติปัฏฐานยาณก็ยานระดับสูงเนี่ยนะเป็นการหาทางออกแล้วเริ่มหาทางออกเมื่อวิจัยพิจารณาไคร่ครวนไปมากๆเริ่มสแสวงหาทางออกนะแสวงหาความสงบอันหนึ่งในอธิการนี้เพราะเหตุว่าสิ่งใดเป็นของน่ากลัวสิ่งนั้นเป็นทุกขโดยแน่นอนสิ่งใดน่ากลัวสิ่งนั้นก็เป็นทุกไหมสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นของมีอมิตร เป็นของที่มีเหยื่อแน่นอนทีเดียวเพราะไม่พ้นจากเหยื่อคือวัตตะเหยื่อของโลกเหยื่อของกิเลสไปได้อมิตรคือเหยื่อนะเหยื่อของวัตตะเหยื่อของโลกเหยื่อของกิเลสและสิ่งใดมีอมิตรสิ่งนั้นก็เป็นเพียงสังขารเท่านั้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความปรากฏว่าเป็นภยัยว่าเป็นอุปาทะเป็นทุกข์เป็นอาทีนะวายานดังนี้เป็นต้น แม้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เพิ่ทราบถึงความต่างกันในอาทินวัยา น, นี้โดยเกี่ยวกับประวัติตะความเป็นไปโดยอาการที่แตกต่างกันอย่างนี้ว่าโดยอาการที่เป็นของน่ากลัวโดยอาการที่เป็นทุกข์โดยอาการที่มีอมิตรเหมือนคำว่าน่ากลัวเป็นทุกข์มีอมิตรเป็นสังขารนี่คือสิ่งเดียวกันคำว่าย่อมรู้ชัดซึ่งฐานะสิบความว่าพระโยคาวจร น, นั้นเมื่อรู้ชัดซึ่งอาทินวายาน คือย่อมรู้ทั่วย่อมแทงตลอดย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งยานสิบคือยานห้ามีธรรมที่มีโทษมีอุปาทะเป็นที่ตั้งนะยานห้ามีธรรมที่กเกษมเนี่ยนะมีอนุ ป, ปาทะเป็นต้นเป็นที่ตั้งสรุปก็แบ่งว่าวัตตะเนี่ยมันครบไม่ได้ทุกขสัตมนี่ครบไม่ได้นิโรสัจจะดีๆๆอย่างเงี้ยนั่นก็อยากจะพูดอย่างนั้นแหละคําว่าเพราะความเป็นผู้ฉลาดในยานทั้งสองคือฉลาดในอทินวายานและ สันติบทาญาณไม่หวั่นไหวในมิจฉาทิฐิสารพัดชนิดเช่นไม่หวั่นไหวในทิฏฐธรรมนิพพานพวกทิฏฐธรรมนิพพานเขาว่าไงรู้ไหมบอกอ๊้ถ้าใครได้สมบูรณ์ด้วยรูปนะคนนั้นแอบนิพพานแล้วใครมีเสียงเพราะๆนั่นแหละก็นิพพานแล้วอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่หวั่นไหวในลทัทธิเหล่านี้ใช่ไหมบางคนบอกนั่งนิ่งๆสงบสงบนั่นแหละนิพพานแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธนิพพานเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงไม่หวั่นไหวในสารพัดมิจฉาทิฏฐิ เลยไม่ไม่ไม่หวนไว้ในที่ที่ที่เป็นไปด้วยอำนาจนิพพานที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมอันตนเห็นแล้วเป็นต้นเนี่ยนะก็คือประเภทกลมทิธรรมนิพานที่ที่โอ๊ยอวดตัวสารพัดนิพพานก็นิพพานที่สมัยใหม่เขาขายกันนะขายสังขารทั้งนั้นเลย น, นะขายยืเครื่องล่ออีกชนิดหนึ่งจริงๆซึ่งไม่ใช่นิพพานที่เป็นคาสอนนิพพาน